สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบสี่เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่เก้าครับเป็นคําวิงวอนที่หนึ่งคือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับในวันนี้เราจะอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระเจ้านะครับและสิ่งที่เกี่ยวข้องท่วงกันกับ คำว่าพระนามของพระเจ้าก็คือคําว่าเคารพสักการะแล้วจะจะมาดูกันนะครับว่าคําว่าเคารพสักการะนั้นเป็นคำที่มีความหมายอย่างไรงน้องครับแท้จริงแล้วคําว่าเคารพสักการะมีความหมายสําหรับคนไทยเราค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยถูกพันกับการถวายสักการะถวายความเคารพแต่เมื่อคนเราคิดถึงการเคารพสักการะเราคิดถึงอะไรครับ หลายหคนก็คิดถึงสถานธรรสถานสถานกการะที่น่ากลัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของอดนตรีที่จะมีความรู้สึกเข่งขึ้นนะครับดนตรีที่มีมีความรู้สึกน่าสะพึงกลัวหรืออาจจะคิดถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าหรือบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของอแท่นบูชาทั้งหลายที่มีขวัญขึ้นมา พี่น้องครับบางคนก็อาจจะคิดถึงประถานชู้หรืออาจจะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันตรงนั้นแต่แท้จริงแล้วคำว่าคารบศักการะนั้นมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ครับซึ่งมาจากภาษากรีกก็คือคำว่าฮาคิออสขอให้พระนามของพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นที่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเมื่อเราอาธิษฐาน ในระดับของหัวใจเราจะได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเมื่อเราสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราเป็นคนที่ไม่สะอาดพี่น้องครับนี่เป็นความหมายของวลีของคาําอธิษฐานในประโยคนี้ที่ซ่อนอยู่พี่น้องครับเราจะมาดูอีกคําหนึ่งครับที่ใกล้เคียงกับคําว่าฮาคิออสซึ่งหมายถึงบริสุทธิ์ก็คือคําว่าฮาคิแอโซฮาคิแอโซ ซึ่นแปลว่าทำให้บริสุทธิ์หรือแปลว่าแยกออกจากกันนะครับนี่คือความหมายของการที่เมื่อเราอธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศักาิ์นั้นลรวกาลังเห็นความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นได้มีความบริสุทธิ์สูงสุดและพระเจ้านั้นทรงแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับ ในขณะที่เราทั้งหลายเป็นคนที่มีมนทรและเป็นคนบาปเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอรับการชําระจากพะลุหิตของพระเยซูคริสต์พระลุหิตของพระเยซูคิ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถล้างล้างความผิดบาปของเราได้ในขณะเดียกันครับธรรมธิฐานของเราก็ควรจะเหมือนกับทูตสวรรค์ที่ร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยทา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราร้องพร้อมกันนะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากำลังแยกพระเจ้าออกในความคิดและความรู้สึกของเราเรากาลังปฏิบัติกับพระองค์ด้วยความเคารพซึ่งสมกับ ถ้าลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเรากําลังนมัสการเรากาลังเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าเรากําลังให้เกียรติอย่างที่พระองค์ทรงสมควรได้รับเพราะฉะนั้นการนมัสการนั้นคือการให้คุณค่าที่คู่ควรกับพระองค์และคุณค่าที่คู่ควรกับพระองค์ที่สูงสุดนั้นก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองเป็นต้นครับให้เรามาดูนะครับคําอธิษฐานของโมเสสนะครับทําไมเราต้องดูคำอธิษฐานของโมเสส ก็เพราะว่าเพื่อเราจะเข้าใจว่าพระนามของพระเจ้านั้นจะได้การยกย่องอย่างไรเพราะว่าจะนะพระเจ้านะครับอยู่ในธรรมโภยยบบทที่สามสิบสาข้อสิบแปดโภยยบบทที่สามสิบสามข้ อ, อ, ขอสิบแปขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพรองค์เถิดขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพรองค์เถิดขณะที่โมเสสนั้นท่านอธิษฐานอยู่บนภูเ ข, ขาสีหนายเมื่อฤทธิเดชของพระเจ้า ลงมาในเมฆแห่งพระสิรโมเสสได้เห็นพระสิรของพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้แต่ท่านยังขอขออะไรครับขอทรงโปรดสำแดงพระสิรของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดโมเสสอยากจะได้รับการสําแดงมากกว่านี้เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากกว่านี้เพื่อที่ท่านจะได้พบกับพระองค์ลึกซึ้งมากกว่านี้และสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกให้ถอดรองเท้าออก สถานที่นี้เป็นสถานบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆโมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่นและออกพระนามพระเจ้าพระเจ้าทรงออกพระนามใดของพรงครับพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตักว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณทรงกิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงความสัตด์จริงผู้ทรงสแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่ง พันชั่วยุคคนผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียพี่น้องครับพระเจ้ากําลังบอกโมเสสว่าพระนามของพระองค์นั้นคือส่วนประกอบทั้งหมดของพระลักษณะของพระองค์นั่นคือพระนามของพระเจ้านั้นคือความเป็นพระองค์นั่นเองดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้พระานามของพระองค์ไปที่เคารพสักการะแล้วกําลังยอมรับรู้นะครับยอมรับพระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้า แล้วก็มังยอมรับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพรงทรงกรอบด้วยพระคุณพระองค์ทรงพระกรุณาพรงทรงกุ้ช้าพรงทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงพรงทรงบริบูรณ์ด้วยความสัตด์จริงและทรงทรงเป็นผู้สำแดงความรักมั่นคงต่อมวลมนุษยชาติต่อพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ที่โปรดยกโทษการล่วงละเมิด การปลอยดและบาปทั้งหลายของเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเร า, ากำลังยอมรับรู้พระองค์ว่าเป็นผู้ใดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่เราอธิษฐานคาวิงวอนที่หนึ่งนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะนั้นในวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านหรือข่องคาอธิษฐานของพระเยซูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบ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 ต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ทนจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสวี เป็นของพระองค์สืบ อ, อไปเป็นนิดอามีนขอพระเจ้าทรงอำานยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ให้ชีวิตของเราได้รับเอาพระเจ้าเข้ามาเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นพระบิดาของเราในขณะเดียวกันเราจะต้องสำนึกว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์สูงสุดเราจะต้อง มีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะเรียนแบบพระเจ้าเพื่อที่จะให้คนอื่นมากมายจะได้รับรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์และนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมฐานของผมที่มีต่อพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน